เมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะสองเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะสามเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะ เมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ 4. เมื่อจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ร yeah. ู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหเมื่อจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ